ชีวิตของพวกเราก็มีอยู่สองส่วนมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจจิตใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเป็นผู้คิดผู้รู้อะไรต่างๆร่างกายก็เป็นผู้รับคําสั่งให้ไปทําอะไรต่างๆร่างกายมีหน้าที่รับข้อมูล ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้งกายแล้วก็ส่งไปที่ใจใจก็จะรู้ว่าร่างกายกำลังเห็นรูปกำลังได้ยินเสียงกำลังลิ้มรส ด, ดมกลิ่นกำลังสัมผัสกับของหนักของเบาของแข็งของนุ่มของเย็นของร้อน ผู้รู้ผู้รับรู้เรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางร่างกายคือใจใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายร่างกายนี้มีรูปร่างมีผมขนเล็บฟันมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีแขนมีขา <c oughs> มีลำตัว ธรรมชาติของร่างกายกับของใจนี่ไม่ต่างไม่เหมือนกันคือร่างกายนี้มีธรรมชาติที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเพราะว่าเป็นของที่ประกอบขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟคือจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้มธาตุลมธาตุไฟ ธาตุดินก็คือข้าวที่เรารับประทานเข้าไปผักที่เราเข้าประทานเข้าไปเนื้อสัตว์ต่างๆของที่เป็นของแข็งนี่มาจากทามาจากดินทามาจากธาตุดินข้าวนี้ก็ต้องปลูกในดินผักก็ต้องปลูกในดินสัตว์ก็กินผักกินข้าว กินหญ้าแล้วก็ได้เป็นเนื้อสัตว์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราเอาเข้ามาในร่างกายของเราเอาดินเข้ามาน้ําที่เราเดื่มก็เป็นน้ําที่เราเป็นธาตุน้ําอากาศที่เราหายใจเข้าออกก็เป็นธาตุลมความร้อนหรือความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายของเราก็เรียกว่าธาตุไฟ ร่างกายของเราเป็นส่วนประกอบขึ้นเป็นส่วนที่ประกอบจากดินน้ำลมไฟเมื่อมีการประกอบมีการรวมตัวก็ต้องมีการแยกตัวออกไปเวลาที่รวมกันร่นางกายก็จะเจริญเติบโตวเวลาออกจากท้องแม่มากินข้าวดื่มน้ำกินนมอะไรต่าง ร่างกายก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปช่วงที่ท่านทั้งสี่มารวมกันก็เกิดการเจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปร่างกายก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนถึงขั้นเต็มที่ของร่างกายโตเต็มที่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญ จะโตขึ้นไปมากกว่า น, นั้นได้พอมันไม่สามารถที่จะโตไปก่อ น, นั้นได้มันก็จะเริ่ม เ, เสื่อมลงเริ่มมีการแตกออกกันแยกออกจากกันทีละเล็กทีละน้อยพอร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เข้าสู่ความเสื่อม คามถดถอยท่าที่เข้ามารวมกันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปมีท่าที่จะออกไปมากขึ้นกว่าทาที่เข้ามานั่งกายก็จะเริ่มจำรุดซุดซมเริ่มแก่ลงเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็ต้องหยุดทำงาน เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วคือธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันเขาต้องแยกออกจากกันเขาต้องการกลับไปสู่ที่เดิมของเขาธาตุลมก็อยากจะกลับไปอยู่กับลมธาตุไฟก็อยากจะกลับไปอยู่กับไฟธาตุน้ำก็อยากจะกลับไปอยู่กับน้ำธาตุดินก็อยากจะกลับไปอยู่กับดิน เมื่อร่างกายนี้หยุดทํางานหยุดหายใจท่าทั้งสี่ก็จะแยกตัวออกจากกันเวลาที่คนตายนี่ถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆใหม่ร่างกายก็จะเย็นขึ้นมาธาตุไฟไปแล้วธาตุลมก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นกลิ่นออกมาธาตุน้ําก็จะไหลออกมาตามา่างถาวรต่างๆ คนตายบางทีเขาต้องเอาสำลีไปอุดจมูกเพราะอะไรฉะนั้นมันจะมีน้าอะไรต่างๆไหลออกมานี่คือการแยกตัวของธาตุแล้วถ้าทิ้งไปทิ้งไปนานๆเข้าร่างกายก็จะแห้งกรอบตอนต้นก็จะเน่าก่อนเน่าพองขึ้นมาแล้วธาตุน้าที่อยู่ในร่างกายมันก็จะซึมไหลออกมา แล้วต่อไปมันก็จะแห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือส่วนของร่างกายที่เป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเมื่อมารวมตัวกันแล้วเมื่อมีการรวมตัวของธาตุสี่แล้วก็ต้องมีการแยกตัวของธาตุสี่ นี่เรียกว่าร่างกายส่วนผู้ที่มาใช้ร่างกายสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่เรียกว่าจิตใจผู้คิดผู้รู้ผู้นี้ไม่มีการรวมตัวของธาตุสี่จึงไม่มีวันจึงไม่มีวันดับไม่มีวันสลายเพราะเป็นธาตรู้ จิตใจนี้เราเรียกว่าธาตุรู้เป็นธาตุที่แยกตัวกันไม่ได้มันจะไม่แยกมันจะเป็นหนึ่งของมันเหมือนกับน้ำนี่มันจะไม่แยกน้ำมันก็จะเป็นน้ำอยู่ดินนี่มันก็จะไม่แยกดินนั้นก็จะเป็นดินของมันอยู่ไฟก็จะเป็นไฟลมก็จะเป็นลมธาตุรู้นี่คือจิตใจที่ไม่มีวันดับ อันนี้แหละคือพวกเราพวกเราอยู่ที่ทารู้อยู่ที่ใจพวกเราไม่ได้ดับไปกับร่างกายที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอร่างกายเขาหมดสภาพธาตุสี่แยกตัวออกจากกาันทารู้ก็ไปตามอำนาจของบุญของบาป ตามกฎแห่งกรรมไปรับผลบุญผลบาปไปเป็นอะไรต่างๆต่อไปถ้าไปทำบาปถ้าไปรับผลบาปก็จะไปรับผลที่อบายที่อบายก็มีสัตว์อยู่สี่ชนิดคือเดรัจฉานเปรตอสุรกาย และนรกเนี่ยี่เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปถ้าทำบาปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้า ง, ไ ป, ปาาางไปเป็นนสุลกายบ้างไปเป็นนรกบ้างก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำให้ทำบาปถ้าทำบาด้วยความโง่เขาเบาปัญญา ไม่รู้ว่าเป็นการกระทําบาปเพราะคิดว่าไม่บาป ค, คิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการเอาเอาเอ า, เอาตัวให้รอดเป็นคนที่ยิงนกตกปลามาทําเป็นอาหารเพราะไม่มีเงินทองไปซื้อกับข้าวกับปลาในตลาดก็คิดว่าไม่บาป ค, คิดว่าเป็นเรื่อง ของธรรมชาติก็จะเป็นเหมือนพวกเดราชฉานพวกเดราจฉานเขาก็เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยปลาใหญ่กินปลาน้อยถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นเดราชฉานตายไปก็ไปเป็นนกเป็นปลาเป็นเป็ดเป็นไก่ เป็นวัวเป็นควายแล้วแต่ว่าเป็นเราไปเราไปฆ่าสัตว์ชนิดไหนก็จะไปเป็นสัตว์ชนิดนั้นฆ่าเป็ดก็ไปเป็นเป็ดฆ่าไก่ก็เป็นไก่วกชอบกินปลาสดๆนี่ก็ไปเป็นปลาไปร้านอาหารที่ขายปลาแล้วก็ชี้ปลาเอาตัวนี้ เป็นพวกที่ทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นบาปคิดว่าเป็นการกินอาหารเป็นการเลี้ยงชีพแต่เป็นการเลี้ยงชีพบนชีวิตของผู้อื่น <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็เป็นเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก <Yeah. S 2> แล้วไปชี่ปลาในในถังในบ่อที่เขาหวางไว้ขายเราว่าเอาตัวนี้เ <Yeah. S 2> ขาฆ่ า, า, าตัวนี้มาทำกับข้าวให้เรากิน เราก็ถือว่าเราทำบาปด้วยด้วยความไม่รู้ว่าทำแล้วจะต้องมีผลบาปตามมาเพราะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปคิดว่าตายแล้วก็ศูนย์คิดว่าร่างกายตายแล้วก็จบเพราะเขาไม่เห็นตัวรู้ตัวคิดว่าไม่ได้เป็นตัวเดียวกับร่างกายคนที่ไม่เห็น ไม่เห็นจิตใจก็เลยคิดว่าจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็ตายไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าใครจะไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปเขาก็เลยไม่กลัวบาปกันเขาก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพของเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเดนรัจฉานพวกที่ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความโลภความอยากได้เงินมากๆอยากรวยด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นทำอาชีพค้าเป็ดค้าไก่ทำเป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มฟาร์มวัวฟาร์มควายเลี้ยงสัตว์แล้วก็เอาไปฆ่าเอาไปขายทั้งที่ไม่มีจำความจำเป็นที่จะต้องทา ค่ามากเไหน่กนันนั้นถ้าค่าเฉพาะเลี้ยงชีพก็ค่าทีละตัวสองตัวแต่ถ้าค่าเพื่อความโลภเพื่อความร่ำรวยก็ค่าเป็นร้อยเป็นพันงินเนี่ยถ้าค่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยความโลภทำบาปด้วยความโลภอาจจะไม่ค่าสัตว์ก็ได้อาจจะช่อโกง ล, ลักทรัพย์โกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินเยอะ อันนี้ก็จะไปเป็นเปรตกันแล้วถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะเขาจะมาทำร้ า, ายเราเช่นกลัวยุงก็ฆ่ายุงเสียกลัวมดมันจะมากัดเราก็ฆ่ามดกันถ้าฆ่าสัตว์ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายหรือผี แล้วก็ถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอ้งางฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมทำบาปด้วยการพยาบาทนี้ท่านบอกว่าต้องไปนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เท่านั้นไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือจิตใจเราผู้ทําบาสนี้จะต้องไปรับผลบาปต่อไปส่วนพวกที่ไม่ทําบาปแล้วก็ทําบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญทําทานมีเงินมีทองก็ไปทําประโยชน์ไปช่วยคนอื่นเช่นไปปล่อยนอกปล่อยก็ปล่อยปลาซื้ออาหารใส่บาตร ซื้อข้าวซื้อของต่างๆให้กับวัดให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลให้กับสาธารณกุศลต่างๆทำประโยชน์ทำความสุขให้กับผู้ตรง น, นี้เวลาตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วพวกที่อยู่วัดจำศีล ถือศีลแปดนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ตายไปก็ไปเป็นพรหมไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วพวกที่ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ะละกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ตายไปก็จะไป สวรรค์ของพระ อ, อริยเจ้าไปแบบไม่กลับมากลับมาก็กลับมาไม่นานเช่นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าพระสกิดาคามีก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวถ้าเป็นพระ อ, อนาคามีก็จะกลับมาไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตต่อไปไม่เกิดมาเป็นเทวดา ก็ไปเกิดเป็นโ่มแล้วพอเป็นพระอรหันต์ขั้นที่สี่ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจกักรในตายภบนี้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของจิตใจที่ไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็นจิตใจของใครเหมือนกันหมดจิตใจของมนุษย์จิตใจของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกัน จิต ใ, ใจของสัตว์เดรัจฉานอดีตก็เคยเป็นมนุษย์แต่พอไปทำบาปก็เลยไปได้ร่างกายของเดรัจฉานพอใช้กรรมหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับพวกที่ไปเป็นเทพเป็นพรหมพอไปรับผลบุญหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นหญิงเป็นชาย เป็นเศรษฐีเป็นคนยากจนเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นกษัตริย์เป็นอะไรต่างๆตามสมมุตินิยมของทางโลกขึ้นอยู่กับครอบครัวที่เรามาเกิดถ้ามาเกิดพ่อเป็นกษัตริย์เราก็เป็นราชาโอรส ถ, ถ้ามาเกิดพ่อเป็นขอทานเราก็เป็นลูกขอทานอันนี้คือร่างกายที่เราได้รับจากพ่อแม่ของเรา เวลาที่เร า, าไปใช้บุญใช้บาปหมดแล้วเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ไม่กลับก็มีพวกพระอริยเจ้าเช่นพระสโสดาบันก็กลับมาไม่เกินเจ็ดครั้งก็จะไม่กลับมาพระสกิฎาคามีก็จะกลับมาเพียงครั้งเดียวพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเป็นมนุษย์ไปเป็นพรหมแทน แล้วพระอาหารหันต์ก็ไม่กลับมาเลยไม่เป็นอะไรเลยเพราะท่านตัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นเหตุให้ไปเกิดการที่เรามาเกิดเพราะเรายังมีความโลภความอยากกันอยู่ถ้าเรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นยังอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกาย เราก็ต้องมีร่างกายกันพอร่างกายนี้ตายไปใจของเราที่มีความอยากหลังจากที่ไปใช้บุญใช้บาปกันแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วก็มาทำตามความอยากกันใหม่มาดูมาฟังมาลิ้มรส ด, ดมกลิ่นมาสัมผัสกับความร้อนความเย็นกันใหม่เพราะมันเป็นความสุข ของพวกเราพวกเราชอบของพวกนี้กันชอบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะเบิกันเวลาที่เราไปเที่ยวกันนี่เราก็ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันเวลาที่เราไปผับไปบาร์ไปลงภา พ, พยนตร์ไปร้านอาหารไปร่วมหลับนอนกับใครอันนี้ก็เพราะว่าเรายังอยากจะมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่อง จึงทำให้เรากลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย จ, จึงทำให้เราต้องมามิมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเพื่อเราจะได้เสพลูกเสียงกลิ่นรสกันนี่คือเรื่องของร่างกายและจิตใจของพวกเราที่เป็น คนละส่วนกันเป็นเหมือนฝาแฝดเราเป็นเหมือนฝาแฝดใจเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นคนสั่งแฝดน้องให้ทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ใจก็คิดว่าจะมาวัดมาทำบุญก็สั่งให้ร่างกายนี้มาวัดมาทำบุญกัน ถ้าใจไม่สั่งก็ไม่ได้มาคนที่ไม่ได้มาก็เพราะว่าใจเขาไม่ได้สั่งให้มาใจเขาสั่งให้ไปที่อื่นกันใจสั่งให้ไปทำงานบ้างไปเที่ยวบ้างไปทำอะไรต่างๆบ้างใจเป็นผู้สั่งผู้สั่งนี้ไม่ตายผู้รับคำสั่งเป็นผู้ที่ต้องตายผู้ที่รับคำสั่งก็ไม่เป็นผู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้น เขาเป็นดินน้ำนมไฟเป็นเหมือนศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้เขาไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นศาลาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเสาเป็นหลังคาเป็นอะไรผู้ที่รู้คือใจผู้ที่สร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาคือใจโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างให้ร่างกายไปหาวัสดุต่างๆมา หาไม้หาสังกะสีแล้วก็มาประกอบกันขึ้นเป็นศาลาขึ้นมาดังนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายไปกับร่างกายสิ่งที่เราต้องกลัวก็คือหลังจากที่ร่างกายตายแล้วเราจะไปไหนเพราะเรายังไม่ตายไปกับร่างกายถ้าเราทำบาปเราต้องไปรับโทษ ถ้าเราทำบุญเราก็ไปรับรางวัลถ้าเราตัดกิเลสได้ตัดความโลภความโกรธความโง่ได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เหมือนกับที่พวกเรากําลังเป็นกันอยู่ในตอนนี้เพราะว่าถ้ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย มีการพัดพลาดจากกันไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเรามาเกิดเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเรามาตัวเปล่าๆ เ, เรามาเพราะว่าบุญกับบาปไม่มีกําลังที่จะดึงเราไปสวรรค์หรือดึงเราไปอาบายเราก็เลยมาเป็นมนุษย์ พอเราได้ร่างกายของมนุษย์เราก็ใช้มันหาสิ่งต่างๆห า, าลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็พอร่างกายนี้มันถึงวาระสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็ไปกับบุญกับบาปที่เรามาทํากันในชาตินี้ถ้าเราทําบุญมากกว่าบาป เราก็ไปรับรางวัลก่อนถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญเราก็ไปรับโทษก่อนพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์หรือดึงเราไปอบายได้เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากกันใหม่มาร้องห่มร้องไห้ใหม่นี่คือ เรื่องของชีวิตของพวกเราถ้าเราเข้าใจความจริงว่าไม่มีใข่ตายผู้ที่ตายนะั้นไม่ใช่เป็นใครผู้ที่ตายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนกับศาลาหลังนี้เวลามันพังไม่มีใครพังมีแต่ไม้กับสังกสีที่มันพังไปผู้ที่อาศัยอยู่พวกเราที่อาศัยอยู่ในศาลานี้ไม่ได้พังไปกับ ศาลาหลังนี้ใจที่อาศัยร่างกายเป็นผู้รับใช้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อก็เวลาตายนี้บุญกับบาปก็จะมาคิดบัญชีกันบุญกับบาสนี้เป็นเหมือนกับอ่อัวควายที่ลากจูงเกวียน ถ้าตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางของมันตัวหนึ่งจะดึงไปข้างหน้าตัวหนึ่งจะดึงไปข้างหลังตัวที่มีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปที่ทางของมันถ้าวัวอยู่ข้างหน้ามีกำลังมากกว่าควายที่อยู่ข้างหลังมันก็จะดึงไปข้างหน้าถ้าควายมีกำลังมากกว่าวัวมันก็จะดึงไปข้างหลัง ถ้าบุญมีมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงไปอบายดึงไปจนกระทั่งมันหมดแรงมันมีกำลังเท่ากับบาปเท่ากับบุญมันก็จะไม่สามารถดึงให้ไปอยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่ในสวรรค์ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็เกิดมาทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วตายไปกบุญกับบาปก็จะมาคิดบัญชีกันจะเป็นอย่างนี้ไปทุกภพกทุกชาติจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรารู้ว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะความอยากของเรา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นนนท์ความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขความอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขจากเราไปความอยากสามชนิดนี้จะทําให้เราต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เวลาที่บุญกับบาปมีกําลังเท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําตามความอยากใหม่วิธีทําตามความอยากของพวกเราก็ทําด้วย สองวิธีบางคนก็ทําด้วยการทําบาปบางคนก็ทําด้วยการไม่ทําบาปเช่นบางคนหาเงินก็หาเงินโดยวิธีไม่ต้องทําบาปเช่นไปทํางานรับเงินเดือนอย่างนี้ไม่ทําบาปก็ไม่มีผลไม่มีโทษบางคนก็ไปหาเงินด้วยการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปช่อกงไปโกหกหลอกลวง เพื่อเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองพวกนี้ก็เป็นพวกทําบาปหาเงินด้วยการทําบาปเพื่อจะเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกที่ทําบาปหาเงินด้วยการทําบาปตายไปก็ต้องไปอบายพวกที่หาเงินด้วยการไม่ทําบาปตายไปก็ไม่ต้องไปอบายถ้าไม่ได้เอาเงินนี้ไปทําบุญก็ไม่ได้ไปสวรรค์ แต่ก็ไม่ได้ไปอบายเพราะบาปก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ทําบาปกับบุญก็ยังเท่ากันอยู่ตายไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือที่มาที่ไปของพวกเราพวกเราไปอยู่สามที่นี่แหละไปอบายาบ้างไปสวรรค์บ้างมาเป็นมนุษย์บ้างสลับกันไปสลับกันมาจนกว่าเราจะมาเจอพระพุทธศาสนาแล้ว ได้ยินได้ฟังว่าการที่เรามาเกิดกันแล้วแล้วก็มาตายจากกันอยู่เรื่อยๆนี้เพราะว่าเราเกิดจากความอยากของพวกเราเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากหาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากกันวิธีหยุดคำอยากพระพุทธเจา้าก็บอกว่าให้ไปอยู่วัดไปถือศีลแปด รือศีลแปดอยู่วันหรือไปบวชถือศีลสองรอยี่สบเจ็ดศีลสามรอยสิบเ็ดข้ออันนี้ศีลจะเป็นตัวห้ามไม่ให้เราใช้ร่างกายไปทำตามความอยากต่างๆอยากจะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้อยากจะไปเที่ยวตามบาปตามผับก็ไปไม่ได้ให้ใช้ศีล น, นี้เป็นตัวกัน้นไม่ให้ละใจของเราไปทาตามความอยาก แล้วก็ให้ใช้สติมาหยุดความคิดความอยากเพราะความอยากเกิดจากความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็จะต้องหยุดไปถ้าเราไม่คิดถึงขนมเราก็ไม่อยากกินขนมแต่พอเราคิดถึงขนมปั๊บเดี๋ยวก็อยากกินขนมขึ้นมาคิดถึงกาแฟเดี๋ยวก็อยากจะดื่มกาแฟกันถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปถึงเรื่องต่างๆที่ทาให้เกิดความอยากได้ ต่อไปเราก็หยุดความอยากได้หรือให้คิดไปในเรื่องที่ทำให้เราไม่อยากเช่นเวลาเราคิดอยากจะกินขนมก็คิดถึงเวลามันออกมาจากท้องเราว่ามันน่ากินไหมพอคิดถึงขนมที่เรากินเข้าไปแล้วออกมามันเห็นนะมันก็ไม่อยากกินอันนี้เป็นอุบายวิธีสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆ พอเราหยุดความอยากได้แทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับมีความสุขมีความสุขมากกว่าการที่เราได้ทำตามความอยากเพราะความสุขที่เราได้จากความอยากมันสุขเดียวเดียวได้กินกาแฟได้ดื่มกาแฟปั๊บก็สุขเดี๋ยวไม่นานก็อยากจะดื่มขึ้นมาใหม่ความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะดื่มกาแฟก็เกิดขึ้นมาใหม่ส่วนการที่เราไม่ทาตามความอยาก หยุ ด, ย, ดยึดความอยากดื่มกาแฟได้เราก็จะสบายไม่เดือดร้อนมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากจะต้องดื่มมันไม่ดื่มมันเราก็ไม่ตายแต่ถ้าเราอยากดื่มกาแฟพอเราไม่อยากดื่มเราจะตายกันตายด้วยความทรมานใจอันนี้คือผลที่เกิดจากการที่เราหยุดความอยากได้ จะทำให้ใจเราสบายไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจของเราะได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไปดูอะไรมาปั๊บกลับมามันก็หายไปหมดไปฟังอะไรพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดได้อะไรมาเท่าไหร่เดี๋ยวก็หายไปหมดแล้วปล่อยให้เราอ้างวาง้างเปล่าเปลียวเดียวได้ ทำให้เราอยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดความอยากได้มันก็จะทำให้เรามีความอิ่มความพอมีความสุขไม่มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ <Yeah. S 1> แล้วจะทำให้เราเลิกความอยากต่างๆได้เลิอกอยากมีลาบยศสรรเสริญสุขได้พอเราเลิกได้เราก็ไม่ต้อง กลับมาเกิดใหม่เวลาร่างกายตายไปเราก็ไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเรามีความสุขจากการหยุดความอยากมีความสุขจากการทําใจให้สงบนยผู้ที่ทําใจให้สงบได้ผืนความอยากได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ แล้วขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ไปเดือดร้อนกับมันมันจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนมันจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจเราไม่ต้องอาศัยร่างกายต่อไปจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็เท่ากันงั้นร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็เท่ากันร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็เท่ากันเพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายแล้ว เราใช้ความสงบแทนเราเอาความสงบที่เกิดจากการหยุดความอยากนี้มาเป็นเป็นความสุขแทนซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้รับรู้วิธี ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาพัดภาคจากกันมาร้องหม่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจและขณะที่เราพัดภาคจากกันถ้าเรามีความรู้จากพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครตายไม่ผู้ที่ผู้ที่เราคิดว่าตายเขาไม่ได้ตาย สิ่งที่ตายนั้นเป็นเพียงคนรับใช้ผู้รับใช้ที่ไม่รู้อีโนเอเนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์นี้เขาไม่รู้อีโนเอเนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นรถยนต์เวลารถพังไปมันไม่ได้ทำให้คนขับรถพังไปด้วยคนขับรถไม่ได้ตายไปกับรถยนต์ใจผู้เป็นขับร่างกายนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปต่อ ไปรับผลบุญผลบาปหรือไปสู่การไม่กลับมาเกิดต่อไปถ้ามีพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติก็คือกำจัดความอยากต่างๆกำจัดความโลกความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญา แล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดถ้ายังเจริญไม่ถึงขั้นนั้นได้แต่ทำบุญนักทบุญละบาปก็ไปสวรรค์ถ้าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปบาปไม่บาปไม่ละบุญไม่ทำตายไปก็ไปอบายนี่เกิดที่ไปของผู้ที่ร่างกายหมดสภาพไปแล้วมีฐามแห่งด้วยกันอบายหรือสุข หรือสวรรค์หรือนิพพานมีสามที่พวกเราสามารถเลือกไปสามจุดนี้ได้เพราะพวกเราเป็นผู้สร้างเหตุที่จะพาให้เราไปเหมือนเราไปตีตั๋วเวลาที่เราจะขึ้นกกรถรถบกสอเนี่ยเราจะตีตั๋วไปชนบุรีก็ได้ตีตั๋วไปกรุงเทพก็ได้ตีตั๋วไปพัทยาก็ได้แล้วแต่เราจะ มีเงินจ่ายมากน้อยเท่าไหร่มีเงินน้อยก็ตีตั๋วได้ไปไม่ไกลถ้ามีเงินมากก็ตีตั๋วไปได้ไกลการกระทําบุญก็เหมือนกับการจ่ายเงินตีตัว๋วเราถ้ามีเงินมากเราทำบุญมากเราก็ไปได้ไกลไปได้สูงถ้ารักษาศีลได้มากเราก็ไม่ต้องไปอบายกันถ้ายังรักษาศีลได้ไม่ครบบางเวลาก็ยัง ทำบาปอยู่ก็ยังมีโอกาสไปอบายได้ถ้ามาปฏิบัติรรมาถือศีลแปดมาบวชเป็นชีเป็นพระได้มาตัดความโลภโกรธหลงตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกินไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ขณะที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็ไม่เศร้าโศกเสียใจกับการตายของใครเพราะรู้ว่าไม่มีใครตายสิ่งที่ตายก็ไม่รู้ว่ามันตายร่างกายมันไม่รู้ว่ามันตายร่างกายมันก็เป็นเหมือนต้นไม้เนี่ยเราไปฟันมันมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกฟันร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นผู้ที่ครอบครองร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายให้ครอบครองก็ไปต่อ ไ่ตามอำนาจของบุญของบาปหรือของธรรมที่ได้ปฏิบัติก็มีแช่นนี้คือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราจึงไม่มีอะไรที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันถ้าเราจะร้องห่มร้องไห้ก็ขอให้เราร้องห่มร้องไห้กับการทำบาปของเราดีกว่าว่าโอยเสียใจเหลือเกินที่เราไปทำบาปกันตอนนี้เรารีบมาทำบุญกันให้มากๆดีกว่า เพื่อที่เวลาเราตายไปบุญของเรามีมากกว่าบาปเวลาเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปก่อนให้เราไปรับผลบุญก่อนแล้วให้เราทำบุญเยอะๆให้ไปถึง น, นิพพานก่อนอย่างองคุลิมานี่ทำบาปเยอะฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเจอพบกับพระพุทธเจ้ า, พ ร, พ, จาพระพุทธเจ้าบอกว่า เธอต้องหยุดนะเธอต้องหยุดทำบาปเธอต้องหยุดความอยากที่จะทำบาปพอ อ, องค์คุติมานหยุดความอยากได้ก็ไปนิพพานได้พ อ, อไปนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดก็เลยไม่ต้องไปรับผลบาปที่ทำไว้ที่ฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนดังนั้นถ้าเราจะร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจก็ให้เราเศร้าโศกเสียใจกับบาปที่เราได้ทำไป พอเราไม่รู้พอเราไม่เชื่อก็ได้ว่ามันมีมีผลกระทบต่อชีวิตของเราตอนนี้เรารู้แล้วเพราะพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเราท่านพูดตามความจริงถ้าจะเศร้าโศกเสียใจง่า้เสียใจกับความโง่เขาของเราที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าที่ไม่เชื่อว่ามีบาปไม่เชื่อว่าการทําบาปจะพาให้เราไปเกิดนิบายกันให้เสียใจอย่างนี้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้หยุดการทําบาปกัน เริ่ีบมาทําบุญกันให้มากๆทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญากันด้วยการฟังเทศฟังธรรมกันถ้าเราทําอย่างนี้เดี๋ยวเวลาเราตายไปบุญของเราจะมีมากกว่าบาปจะทําให้เราไม่ต้องไปใช้บาปกันแล้วถ้ามีบุญขั้นสูงสุด<ม>แบบองค์คุลิมาตัดความอยากต่างๆได้หมดก็ไปนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปชีวิตของพวกบบเราตอนนี้ยังไม่สายเกินแก้เรายังแก้ได้ถ้าเราเคยทําบาปมาตอนนี้เราเลิกทํากันถ้าเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้รักษาศีลกันตอนนี้เรามาทําบุญกันมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปบุญจะพาเราไปไม่ใช่บาปเป็นผู้พาเราไป นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเรามาพบพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นเราเป็นนกที่อยู่ในป่านี้เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถ้าเป็นนกตอนนี้นกมันก็ยังจะต้องไปฆ่ า, าสัตว์ตัดชีวิตยังต้องไปกินตัวนอนตัวไส้เดือนอยู่ดังั้น การมาเกิดแล้วมาพบพระ พ, พุทธศาสนาจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเป็นมนุษย์ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จะไม่มีใครบอกเราเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันเราก็จะทำบาปตามที่เราเคยทำกันมาเพราะเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะต้องไปรับผลบาป เพรเห็นว่าร่างกายตายไปแล้ว ก, ก็จบดังนั้นเราต้องมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมาเจอพระพุทธศาสนาถึงจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาคือได้รับทางที่จะพาให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดให้เราหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้เราได้ไปอยู่กับที่ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเราควรจะรีบตักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าปล่อยให้โอกาสอันดีอย่างนี้หลุดมือไปขอให้เราใช้โอกาสของการสูญเสียชีวิตของผู้อื่นนี้มาเป็นคติเตือนใจเราว่าเราจะต้องไปต่อเราจะไปสูงไปต่ำไปดีไปไม่ดีอยู่ที่การกระทําของเรา ทำดีเราก็จะไปสูงทำไม่ดีเราก็จะไปต่ำถ้าตัดกิเลสได้ตัดความอยากปัญหาได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาหนึ่งขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสักระังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตทราบเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิจตติ ระโยะธาสปิตโยวิว so ัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีริสะนิจจังวุทธาปะจายโนจตารูธรมาวัฏานติอายุวันโนสุขาม ตอนนี้มีมามีเข้ามาเท่าไหร่แล้ตอนนี้เหลือ420กว่าแต่เมื่อกี้500 450 5 <25, S 1> 60กว่าอันนี้เข้ามาเยอะเลยนะเราฟังรัฐศาสตรจะพูดแก่ ก็พูดเนพูดทุกวันแหละไม่ได้พูดเรื่องอนะนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไม่ให้ประมาทกันให้มันพิจารณาอยู่เนืองเนืองว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาื่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เราเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพารากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการจากการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราพิจารณาอยู่เนือเน่องๆเราจะมีธรรมะคอยเตือนใจเรา ไม่ให้เราไปหลงไปลืมแล้วไปยึดไปติดกับร่างกายของเราไปติดกับร่างกายของคนอื่นเพราะเรารู้ว่าร่างกายของทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันถ้าเราไม่พิจารณาเราจะลืมเราก็เลยจะหลงคิดว่าเราจะอยู่กับร่างกายคนนี้ไปเรื่อ ย, อยจะอยู่กับร่างกายของคนนั่นคนนี้ไปเรื่อย และพอเกิดเขาจากเราไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันแต่ถ้าเรามีธรรมะคอยเตือนใจสอนใจเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการพัดพากจากกันจากร่างกายของเราไปจากร่างกายของคนอื่นไปแล้วเราจะไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่ร้องหม่มร้องไห้เพราะคำพูดที่พระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการตกของพระอาทิตย์นี่เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ร้องห่มร้องง่ายกันเวลาตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินไปเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายก็เหมือนดวงอาทิตย์มันมีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็มีตกถ้าเราไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายเราก็เหมือนกับเราไม่ได้ยึดไม่ติดกับพระอาทิตย์นี่ แล้วกายตกผ้าทิศตกเราก็จะรู้สึกเท่ากันไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกหวาดกลัวเพราะเราไม่ได้เป็นพ้าทิศเราไม่ได้เป็นร่างกายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหมั่นพิจารณากันอยู่เรื่อยๆการที่เราไปงานศพนี้ก็เพื่อไปพิจารณาความจริงบางทีเราพิจารณาโดยที่ไม่เห็นของจริงเราก็ยังจะไม่รู้สึก เขาเรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นการที่เราไปงานศพกันก็เพื่อให้เราได้เห็นความจริงของร่างกายของพวกเราว่าร่างกายของเราต่อไปก็จะต้องเป็นเหมือนกับร่างกายของคนที่ตายไปเมื่อเราเห็นเราจะได้ไม่ไปยึดติดกับร่างกายปล่อยวางร่างกายถ้าเราไม่ยึดติดปล่อยวางร่างกายได้ใจของเราจะสบาย ร่างกายเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนฉะ น, นขอให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆออย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องมีการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าถามพระอานุน์ว่าอานุ์เธอพิจารณาถึงความตายวันละกี่ครั้งกันอานุนก็บอกว่าวันละสี่ห้าครั้งเือเช้ากลางวันบา่ายเย็นก่อนนอน ลุาเจ้าบอกน้อยไปเธอยังประมาทอยู่ยังไม่พอที่จะระงับความกลัวระงับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจได้ถ้าอยากจะระงับความกลัวความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเธอต้องระลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็คิดว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวความตายมันเพราะมันจะไม่ลืมที่เรากลัวความตายกันเพราะเราลืมไปคิดว่าเราจะไม่ตายกันพอคิดว่าเราไม่ตายพอมันตายก็เลยตกใจกันแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องตายร่างกายเราต้องตายเนี่ยพอมันตายเราก็จะไม่ตกใจเราจะดีใจเออหมดพี่เกียรหายใจเว้ยหายมาต้องลาแล้วเหนื่อย หยุท้ายใจได้ก็สบายเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกายเราไปแบกร่างกายไว้ทําไมร่างกายนี้เหมือนภูเขาที่เราต้องแบกกันอยู่ทุ้งวันนี้พอไม่มีร่างกายแล้วสบายกว่าเบากว่าใจเบ า, ใ จ, เบาใจสบายามีคําถามเข้ามายัางมีครับอาจารย์ว่ามาเลยเอ แล้วถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับในหลวงถามดีไหมครับเพราะอาจารย์ก็เทพไปหมดแล้วก็ถามได้แต่จะตอบไม่ตอบก็แล้วแต่เอาเป็นคำถามปฏิบัติเลยครับคำถ า, ถามจากคุณอาร์ตนะครับการกินข้าวการเดินการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันรวมถึงการพลิกตัวไปมาขยับตัวหยิบน้ำมาดื่มอันนี้เราได้เป็นผู้กระทำไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องของร่างกายที่เขาทำเองเพื่อความอยู่รอดของตนเพราะบางทีการทำอะไรบางอย่างบางทีก็ไม่มีเจตนาที่จะทำแต่ร่างกายทำเองของเขาอย่างนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ไม่ถูกหรอกการกระทําทุกอย่างของร่างกายนี้เกิดจากการสั่งของใจใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทํานี้การกระทํานี้บางอย่างก็ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปเช่นการหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาการดื่มน้ําการรับประทานอาหารการอาบน้ำแต่งแต่งตัวอะไรอย่างนี้เรียกว่าการรมเป็นกลางๆางคือกรรมความจริงมีสามแบบ กรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปและกรรมที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปการกระทําที่เป็นกลางๆนี้ไม่มีผลต่อจิตใจของเราเวลาตายไปไม่ได้ส่งให้เราไปสวรรค์ไม่ได้ส่งให้เราไปอบายเช่นการดื่มน้ําการล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆเหล่านี้นอกจากถ้าทําด้วยการไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายถึงจะเป็นบาปขึ้นมาเช่นไปเอาข้าวของคนอื่นมากินแหนะ อยนี้เร้ยว่าเป็นการรักทรัพย์รักอาหารก็เป็นบาปถ้าจะหาอาหารต้องหาอาหารของเราเองไปทํางานหาเงินแล้วเเงินไปซื้ออาหารมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นบาปก็ไม่เป็นบุญถ้าอยากจะเป็นบุญก็ต้องเอาเงินที่เราเอาอาหารที่เราซื้อมาไปให้คนอื่นกินเช่นไปใส่บาตรให้กับพระอย่างนี้ก็จะเป็นบุญขึ้นมา นัมีการกระทำสามอันที่ใจสั่งให้ร่างกายทาสั่งให้ทำบุญสั่งให้ทำบาปและสั่งให้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายโดยที่ไม่ไปกระทบกับชีวิตของผู้อื่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเช่นออกกาลังกายจ็อกกิ้งวิ่งไปวิ่งมาเพื่อรักษาให้ร่างกายแข็งแรงให้สกปรกให้มีสุขภาพสมบูรณ์โครคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน น, นี้ใจเป็นคนสั่งให้ทำทั้งนั้นแนหะถึงจะร่างกายถึงจะทําได้พอไม่มีใจแล้วร่างกายก็หยุดทําทุกอย่างดูคนตายนะคนตายนี้ไม่มีใจแล้วคําถามจะคุณบีและคุณมาดามนะครับเวลานี้คนไทยเศร้าเหลือเกินแม้แต่ข้าพระเจ้าที่นั่งภาวนาทุกวันก็ยังร้องไห้เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นอนิ จ, จังแต่ยังเสียใจข้าพระเจ้ายัง ฝึกจิตไม่ดีใช่ไหมคะพระอาจารย์แนะนำด้วยคะ่ะใช่สติเรายังไม่สามารถระงับอารมณ์เศร้าที่ปรากฏขึ้นมาได้เราต้องฝึกสติให้มากขึ้นถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุทโธตอนนี้เศร้าลองไปบริกรรมพุโทโธสักสิบนาทีเดี๋ยวก็หายเศร้าเราองนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุทโธไปสักสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวความเศร้าก็จะหายไปแต่พอเรากลับมาคิดถึง เหตุการณ์อีกความเศร้าก็จะกลับมาอีกถ้าเราอยากจะไม่ให้ความเศร้ากลับมาเวลาที่เรามาคิดถึงเหตุการณ์เราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าความตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา เ, ออเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันด้วยกันทุกคนและผู้ที่ตายก็ไม่ไม่ใช่เป็นใครไม่มีอะไรผู้ที่ตายก็คือดินน้ำหนุนไฟผู้ที่สั่งให้ ร่างกายทําอะไรนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้คิดผู้สั่งให้ทําบุญทำบาปทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดัง น, นั้นจึงไม่มีใครตายไม่มีพ่อตายไม่มีแม่ตายไม่มีลูกตายไม่มีสามีตายไม่มีภรรยาตายสิ่งที่ตายเป็นคนรับใช้ของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาเท่านั้นคำถามอ่า จากคุณจากจาคุณทูนะครับพิจารณาให้รู้ให้เห็นตัวจริงความจริงโดยเนื้อแท้เป็นเช่นไรแล้วจะสลัดตัวกิเลสออกจากจิตวิญญาณของเราได้อย่างไรก็เนี่ยให้ดูความตายไงตอนนี้ไปงานศพมันไปดูคนที่เคยเป็นนะตอนนี้เขาไม่เป็นแล้วตอนนี้เขาตายแล้ว ให้เห็นความจริงว่าร่างกายของเขากับร่างกายของเราเหมือนกันตอนอย่างที่เขาเขียนไป้ายไว้ที่หน้าโรงศพว่าข้าพเจ้าเป็นอดีตของท่านท่านเป็นอนาคตเราเป็นอนาคตของท่านท่านเป็นอนดีตของเราเอ่ออธิบายไหมตอนนี้เราเป็นอนดีตของคนตายแล้วคนตายก็เป็นอนาคตของเราต่อไปเราก็จะเป็นเขา เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราให้คิดอย่างนี้ว่าร่างกายทุกคนเป็นอย่างนี้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจพอเตรียมตัวเตรียมใจไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายมันก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดพอยึดแล้วเราก็อยากจะให้อยู่ไม่อยากให้ตายพอตายเราก็เสียอกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่ายึดไม่ได้ห้ามไม่ได้ความตายนี้ไม่มีใครห้ามได้ เมื่อถึงเวลามันก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าห้ามไม่ได้เราก็ยอมยอมแล้วเราก็หยุดหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านเมื่อเราหยุดต่อสู้เราก็จะเย็นเขาเรียกว่าสูตรสามยอยอมหยุดเย็นยอมรับความจริงหยุดต่อต้านความจริงแล้วใจก็จะเย็นใจจะสบายคําถามจากคุณนรัญญา ห้าใจปริสุ์ไม่เบียเดเบียนและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือทุกข์ใจอันนี้คือบุญใช่ไหมคะก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็เป็นบุญเพราะทำให้ใจเรามีความสุขเวลาทำบาปใจจะไม่สุขใจจะทุกข์คนที่ไม่ทำบาปกับคนที่ทำบาปนี้ใจจะไม่เหมือนกัน คนที่ไม่ทําบาปคนที่รักษาสีนี้ใจจะเย็นสบายไม่วิตกกั ง, งวลกับบาปที่ทําไว้คนที่ทําบาปทําแล้วใจวุ่นวายใจไม่สงบใจกั ง, งวลแล้วเวลาไปใช้ผลไปรับผลบาปก็ยิ่งทุกข์ใหญ่คําถามจากคุณไกรรินนะครับทําอย่างไรให้เรารู้ว่ากายกับใจของเรานั้นแยกกันอยู่ครับก็ื่อนต้อง นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันจากพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าสวรรคตทำไมพระอานอนท์ถึงเสียใจร้องไห้ครับเพราะยังไม่อยากให้พระพุทธเจ้าออไปนะสิเพราะพระนอานนท์ท่านก็ยังยังสติยังมีไม่ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสติหรือว่าเป็นเพราะเป็นเรื่องของความผูกพันนะความผูกพันอาจจะร้องไห้แบบไม่ได้รันทดใจก็ได้ร้องไห้ด้วยความเสียดายแต่ไม่ได้ร้องไห้แบบทุกข์ทรมานใจคือการร้องไห้แบบที่เห็นคนดีจากเราไปเราคิดถึงความดีของเขาก็ทำให้เราเสียอกเสียใจแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเสียใจแบบว่า ไม่อยากให้เขาจากไปหรืออะไรอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาขอให้เราไม่ทุกข์ก็แล้วกันเพราะการร้องไห้นี่ร้องแบบทุกข์ก็ได้ร้องแบบไม่ทุกข์ก็ได้คำถามจากคุณทอมทอมผู้ที่ดวงจิตไปเห็นเวทนานั้นไม่ใช่เราสักแต่รู้เช่นนี้ดวงจิตนี้ตกกระแสะโสดาบันใช่หรือไม่ครับ และถ้าใช่เช่นนี้เป็นโสดาปฏิมักหรือโสดาปฏิผลครับเออถ้าปล่อยวางวิทนาได้ปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางความตายได้ก็เป็นโสดาปฏิผลถ้ายังปล่อยไม่ได้ยังทุกข์อยู่กับความเจ็บทุกข์อยู่กับความตายก็ยังปล่อยไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นโสดาปฏิผลคำถามจากคุณกมลรัก การที่เรามีแฟนแต่แฟนอาศัยอยู่ที่ไกลปีหนึ่งเจอกันสี่ถึงหกครั้งเราทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานกันหากลูกศึกษาดูใจอีกคนแบบนี้ผิดศีลข้อสามหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยแล้วเราไปสนใจกับอีกคนหนึ่งก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนถ้าเราไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับทั้งสองคนถ้าเราหลับนอนกับคนไหนก็ถือว่าคนนั้นเป็นคู่ครองของเรา แล้วถ้าเราไปหลับนอนกับอีกคนหนึ่งถึงจะเรียกว่าผิดศีนข้อสามเองอาจจะผิดทางใจใจเริ่มเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มแยกไปแล้ะก็แสดงว่าไม่ซื่อสัตย์ทางใจแล้วต่อไปก็อาจจะทำให้ไม่ซื่อสัตย์ด้วยการไปมีแฟนใหม่ต่อไปก่อนที่จะไม่มีแฟนใหม่ก็เลิกแฟนเก่าก่อนนีกวบอกว่าตอนนี้เราเข้ากันเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะ อันนี้เราเกิดมีป sponsor, ิ <orang> <uggle> ๊งไก่คนนึงแล้วเขาจะได้ทําใจได้เขาจะได้ไม่เสียใจคําถามจากคุณพัชราการที่เรารู้แต่ทําตามไม่ได้ไม่ยอมฝืนใจนี่คือแพ้ต่อกิเลสหรือไม่คะใช่เพราะเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราไม่นั่งเราไม่เจริญสติเราไม่หยุดกิเลสกัน เราต้องฝืนกิเลสต้องหยุดกิเลสด้วยการเจริญสติให้มากๆให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปต่อไปเวลาเกิดความโลภเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความโลภมันก็แพ้เราเองคำถามจะคุณคำถามจาะผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนนะครับข้อที่หนึ่งลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ขอแนวทางการปฏิบัติด้วยเจ้าคะ่ะ ก็ถือศีล ใ, ให้ให้สะอาดรักษาศีลไปรักษาศีลแปดไปให้บริสุทธิ์แล้วก็พยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆเจริญสติให้มีพุทโธตลอดเวลาอยู่ภายในใจตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วเวลามีเวลาว่างก็ให้นั่งให้มากๆนั่งหลับตานั่งสมาธิให้มากๆสลับกับการฟังเทศฟังธรรมออจากสมาธิมาก็ฟังเทศฟังธรรม แล้วก็ไปเจริญสติต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับข้อที่สองลูกมีความทุกข์และกังวลใจกับคนที่รักคนในครอบครัวว่าเห็นเขาทำสิ่งไม่ดีผิดศีลผิดศีลทำลูกอยากจะบอกด้วยความห่วงใยแต่เมื่อบอกไปก็ไม่มีผลเพราะเขาไม่รับฟังลูกควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ ก็ต้องปล่อยวางเออเหมือนกับไปอยากให้เขาเป็นส้มเขาเป็นกล้วยแล้วอยากให้เขาเป็นส้มเขาไม่เป็นก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากปล่อยให้เขาเป็นกล้วยไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มเออเขาไม่ดีก็อย่าไปอยากให้เขาดีอย่าให้เขาดีแล้วเขาไม่ดีแล้วก็เหมือนก็อยากให้เขาเป็นส้มเป็นกล้วเขาเป็นกล้วยอยากให้เขาเป็นส้มอย่างงี้มันเป็นไม่ได้ที่ไหน เราเราโง่เองเข้าใจไหมเราบ้าเองเขาเป็นกล้วยอยู่ดีๆไปให้เขาเป็นส้มเขาก็เป็นไม่ได้เขาไม่ดีไปขยายเขาดีเขาก็เป็นไม่ได้เขาก็อยากดีแต่เขาดีไม่ได้เพราะเขาติดบุหรี่ติดยาเสพติดติดเที่ยวติดผู้หญิงอย่างนี้จะไปอยากให้เขาเลิกอย่างนี้เขาเลิกไม่ได้เราก็ต้องบอกเขาท่านเองว่าอย่าทํานะสอนเขาได้ทําอย่างนี้ไม่ดีเป็นกล้วยไม่ดีเป็นส้มดีกว่า ยอราคาดีกว่ากล้วยเฮเผื่อเขาจะเปลี่ยนก็ได้ข้อที่สามลูกเคยไปปฏิบัติที่วัดแล้วนำของใช้ในวัดติดมาด้วยด้วยความไม่ตั้งใจแล้ววัดก็อยู่ไกลไม่สามารถส่งกลับคื้นได้เกิดความกังวลใจว่าจะบาปไหมและลูกควรทำอย่างไรไม่จริงหรอกไปได้ทำไม เอาไปคืนไม่ได้วะเอามาได้มันทําไมเวลาเอามามันก็ไกลเหมือนกันอยู่เวลาจะคืนนี่มันคืนไม่ได้เอนี่ยแสดงว่ายังยังหวงอยู่ยังเอาของใครเข้ามาก็าไปคืนเขาสิส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้คําถามจากคุณอาร์ตถ้าหากตอนนี้ผมยังไม่รู้ขา่าวในหลวงจิตใจก็ยังปกติแต่ผ่านมาเจ็ดวันแล้ว เพื่งรู้ข่าวจิตใจก็ทุกข์แต่หกวันที่ผ่านมาทั้งที่ข่าวก็เกิดขึ้นแล้วสแสดงว่าจิตใจทุกข์เพราะทราบข่าวใช่ไหมครับจิตใจทุกข์เพราะอยากอยากให้ท่านอยู่ไม่อยากให้ท่านไปก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากให้ท่านอยู่เพราะเรารู้ว่าท่านอยู่ไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณขวัญ จิตคือผู้รู้และผู้ที่รู้อาการของจิตคือสติเรียกผู้ตามรู้ใช่หรือไม่คะหนูเข้าใจผิดว่าผู้รู้คือสติมาตลอดเลยคือผู้รู้นี่คือผู้รู้สติคือคือเป็นตัวเดึงผู้รู้ให้มารู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเดินให้มารู้อยู่กับพุทโธคือตัวสติตัวสตินี้เป็นเหมือนตัวเชือก ที่ดึงผู้รู้ที่อาจจะไปรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ให้มันรู้เรื่องเดียวตัวที่ดึงให้ผู้รู้มารู้เรื่องเดียวนี้เรียกว่าสติถ้าไม่มีสติผู้รู้ก็จะสะเปะสะปะาไปรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ใจนี้มันวุ่นวายใจไม่สงบถ้าดึงมาให้รู้อยู่เรื่องเดียวเรื่องที่ไม่มีไม่ได้ทาให้ใจวุน่นวายใจก็จะสงบหายวาุ่นวาย เอ็นหนึ่งมาให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธเ อ, อพุทโธมันไ ม, ม่มันไม่ทำให้เราวุ่นวายมันทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราเย็นถ้าเราไม่มีสติดึงไว้มาอยู่ที่พุทโธมันก็ไปรู้เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วม ง, งานเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพอไปรู้เรื่องราวเหล่านี้มันก็วุ่นวายขึ้นมามีก็อยากจะมีมากขึ้นไม่มีก็อยากจะมีอะไรอย่างนี้ มันก็เลยทำให้ใจของเรานี้ไม่สงบไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราดึงใจมาให้อยู่กับเรื่องที่ทําให้ใจสงบมันก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากเปล่าๆคำถามจากคุณจุฑะจิตตานะครับบางครั้งเรานึกถึงอารมณ์ที่ชอบใจแต่รู้สึกตัวว่ากำลังเสพอารมณ์ที่ชอบใจอยู่แต่ก็ยังคิดต่อ ไม่ทิ้งอารมณ์ต้องกำหนดอย่างไรเจ้าคะใช้กรรมฐานข้อไหนจึงจะทิ้งอารมณ์เช่นนี้ได้อย่างเด็ดขาดก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จบเวลามันผ่านไปมันก็ปล่อยให้เราเหงาว้าวเอเหมือนเดิมแล้วทำให้เราทุกข์เพราะอยากจะได้อารมณ์นั้นอีกพอไม่ได้ก็จะทุกข์งั้นถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราอย่าไปเสกมัน รับรู้ได้รู้เฉยๆอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอมันเราไม่ยึดไม่ติดพอมันหมดไปมันก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ไม่ทําให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าเรายึดเราติดเราเสพเรามีความสุขกับมันพอมันหมดไปเราก็จะไม่มีความสุขหรือให้เราเสพเราก็จะทุกข์ขึ้นมาคํำถามจากคุณพิชเชษ ขอแนวปฏิบัติเ พ, พื่อควบคุมไม่ให้จิตฟุ้งซ่านก็นั่นแหละก็ต้องมีสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดินกลับมาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปนั่นเดี๋ยวใจก็สงบหายฟุ้งซ่านค้ำถาจะคุณแคสหากเราช่วยเขาโดยไม่หวังผล แต่วันหนึ่งเราไม่ได้ช่วยแล้วเราจะบาปไหมคะการช่วยเหลือการนี้เป็นบุญถ้าไม่ได้ช่วยเหลือก็ก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นบาปจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ไม่เป็นบาปคำถามจากคุณทูหยิกตัวเองแล้วสั่งไม่ให้เจ็บเราสั่งไม่ได้แสดงว่ากายตัวนี้ไม่ได้อยู่กับใจหากอยู่ที่เดียวกับใจ ก็ต้องสั่งไม่ให้เจ็บได้ถูกไหมครับก็สั่งได้ที่ไหนร่างกายเวลามันจะปวดท้องปวดฉี่บอกให้อย่าปวดหายปวดมันสั่งไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันปวดะดื่มน้ําไปมากๆเดี๋ยวมันก็ปวดฉี่ขึ้นมาถ้าอยากจะให้มันหายปวดก็ต้องไปฉี่มันถึงจะหายเนื้อร่างกายนี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันสุขที่ทําให้มันทุกข์ เวลามันปวดฉีด่มันก็ทุกข์เวลาไปถ่ายไปไปฉีมันก็หายทุกข์มันก็มีเหตุมีปัจจัยบางเหตุปัจจัยบางอย่างเราก็ควบคุมได้เหตุปัจจัยบางอย่างเร า, าก็ควบคุมไม่ได้เช่นเชื้อโรคบางชานิดเข้ามาในร่างกายเราแล้วเราจะบอกให้เชิญมันออกไปนี่มันไม่ไปแล้วมันก็จะมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายของเราถ้าถ้าเราต้องการที่จะให้หายทุกข์เราก็ต้องไปหายาที่มาฆ่าเชื้อโรคนี้ได้ ถ้ามียาฆ่าเชื้อโรค ก, กินเข้าไปเชื้อโรคตายไปมันก็หายถูกได้เหมือนก็เป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยบางอย่างเราก็แก้ได้บางอย่างเราก็แก้ไม่ได้โรคบางชนิดเราก็รักษาได้โรคบางชนิดเราก็รักษาไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของเหตุของผลงครับอาจารย์ครับมีผู้ถามมาว่าวันตักบาทเทโวและวันกระถินยัง เหมือนเดิมไหมครับอาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคำถามจะคุณมังลิกานะครับเดี๋ยวประกาศหน่อยวันวันตักบาเทวะก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดเป็นวันพระนะไม่ใช่วันแรมหนึ่งาัมปกติวันตักบาเทวะเขาจะตักวันแรมหนึ่งคัมคือวันจันทร์แต่ทางวัดยาานี่เราตักก่อนเข้าหนึ่งวัน เพื่ออำนวยความสะดวกของญาติโยมที่อยากจะไปตักสองวัดอยากจะตักวัดยานแล้วก็อยากจะไปตักที่วัดที่อยู่ใกล้บ้านเพราะเป็นวัดที่ต้องฝากผีไว้เวลาตายจะได้เอาศพไปเผาได้ก็เลยต้องไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านด้วยแต่ก็ชอบมาทําที่วัดยานเพราะวัดยานนี้ฮะมีอะไรที่วัดอื่นไม่มีกันก็เลยรักพี่เสียดายน้องถ้าตักพร้อมกันในวันเดียวกันก็จะ ไปตักสองวัดไม่ได้ก็เลยให้วัดยานตักก่อนวัดอื่นแค่หนึ่งวันไปเลยตรงกับวันพระทุกปีขอให้จําไว้ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าค่ำถ้าวันตักบาตรเทวของวัดทั่วไปก็จะตักวันแรมหนึ่งค่ำวันหลังวันพระหนึ่งวันส่วนกรถินปีนี้ก็เป็นกรถินวัดยานนี้เป็นวัดหลวงก็เลยเป็นกรถินพระราชาฐานคือไม่ไม่มีใครจะมาเป็นเจ้าภาพได้เพียงแต่มารับผ้าจากในหลวงมา ทอดแทนในหลวงเป็นผู้แทนของในหลวงเพราะวัดอารามหลวงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินที่จะเป็นผู้ถวายผ้ากรถินคนอื่นถวายไม่ได้นอกจากท่านอนุ ญ, ญาตให้มาทําเป็นผู้แทนถวายปีนี้บริษาทการบินไทยก็เป็นผู้แทนที่จะมารับผ้ากรถินเพื่อมาถวายให้กับวัดในวันที่29วันเสาร์ตุลาคม เวลา1 0บนาฬิกานย์เกานาฬิอาจารย์ครับแล้วตักบาตรเทวรเริ่มกี่โมงครับอาจารย์พรจาจะลงจากเขาประมาณหกโมงครึ่งก็จะเริ่มพอลงมาก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีหกโมงสาสบห้าี่สก็เริ่มตักเดินกันมาตามทางจากพ่ามณฑลมาถึงศาลาหอฉันซึ่งปกติก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งกว่าจะเสร็จอนุญาโตมที่มาทีหลังก็สามารถที่จะเจาะตามทาง ตามทางตามถนนที่พระเดินได้แล้วก็ใส่ได้ไม่ต้องมาเวลาหกโมงครึ่งกันทุกคนบางคนมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งก็ยังทันอยู่เพราะกว่าจะเสร็จก็เกือบแปดโมงคำถา ม, ถามต่อไปจากคุณมังลิกานะครับเวลาโดนคนอื่นว่าเราไม่มีสติแล้วเราไม่พอใจณนะตอนนั้นต้องยึดอะไรเป็นที่พึ่ง เช่นไปสวดมนต์หลังเลิกงานซึ่งใส่สีดําแต่โดนคนเขาว่าทําไมไม่ใส่สีชมพูรู้สึกน้อยใจน้ําตาไหลสวดมนต์ต่อไปไม่ได้ต้องทําอย่างไรคะเวลาน้อยใจบับเบิี่พุโทโธเลยไม่ต้องไปสวดมนตนะ์อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยแหละเราก็พุโทโธพุโทโธขงเราไปในใจอย่าไปฟังเสียงที่เขาพูดอย่าเอาคําพูดที่เขาพูดมาคิดยิ่งคิดก็ยิ่งน้อยใจ พอเราคิดอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวเราก็ลืมคำพูดของเขาแล้วความน้อยใจก็จะหายไปจะทําทอย่างนี้ได้เราต้องฝึกพุโทโธไว้ก่อนเหมือนกับคนที่พิมพดีนี่ยังพิมพ์ไม่เป็นพอถึงเวลาจะพิมพ์มันก็พิมพ์ไม่ได้ต้องซ้อมพิมพ์ดีไปก่อนพิมพ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาสั่งให้พิมพ์ปับ๊บมันก็ปุ๊บปับ๊บเชือพิมพ์ได้เลยถ้าตอนไหนถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเสียใจน้อยใจ เพาถ้าเราพุโทโธได้พุโทโธปั๊บเดียวๆสองนาทีสามนาทีก็หายทุกแล้วคำถามจะคุณนรัญยาลูกเคยบอกให้ผู้เป็นแม่ดักองในสมบัติผู้อื่นโดยทําลูกได้พูดล่วงเกินผู้เป็นแม่หรือไม่คะไม่ควรสอนพ่อสอนแม่เราเป็นลูกพ่อแม่เป็นเหมือนครูเป็นอาจารย์เราเป็นนักเรียนนักเรียนไม่ไปสอนครูหรอก นอกจากครูเขาอาจจะมาขอคําปรึกษาก็ให้คําปรึกษาได้แต่ถ้าเขาไม่ขอคําปรึกษาเราอย่าไปสอนพ่อสอนแม่สอนครูสอนอาจารย์เพราะว่ า, า จ, จะเป็นการหาไม่รู้อไม่รู้ฐานะของตนแล้วก็จะทําให้อก็คนที่เขาจะสอนเราไม่อยากจะสอนเราต่อไปมันรู้ดีแล้วก็สอนมันทําไม คำ ถ, ถามจากคุณทูสวร น, นิพพานใกล้เพียงขนตาไกลแค่ปลายจมูกหมายถึงอะไรครับก็มันอยู่ในใจเราเองใจเรานี่แหละเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานอยู่ที่บุญบาปอยู่ที่ธรรมะที่เราทำกันนี้ทำบุญใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทาบาปใจก็เป็นนรกขึ้นมามีธรรมโป่งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็เป็นนิพพานขึ้นมา คำถามจากคุณวิไลรัตน์อ๋อเพราะที่เขาไม่ประสออกนามถ้าวันอาทิตย์ไปตัก บ, บาทร <c oughs> เขาต้องห่างไม่ได้พรุ่งนี้สามารถไปรอใต่ได้ไหมคะจะได้ทุกวันเน่ยจะใส่วันไหนก็เหมือนกันบุญการใส่บาทนี่จะบุญใส่บาทวันนี้ใส่พรุ่งนี้วันก่อนเทววันหลังเทโว น, นี่มันไม่มันไม่ได้อยู่ที่วันมันอยู่ที่เราใส่หรือไม่ใส่ตอนนี้คำถามหมดครับอาจารย์ออื คำถามแถวนี้มีไหมไม่มีเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวรอคำถามเข้ามามีคำถามมาจากในข้อความนะครับแต่คุณป้าหมีนะครับามมาลูกจะวางใจในเหตุการณ์ในหลวงสวรรคตได้โดยทำได้อย่างไรเจ้าคะใจมุมากน้ำตาไหลตลอดอเวลาก็เนี่ยให้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา และสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็ไม่ได้เป็นไข่เป็นดินนา้าลมไฟเท่านั้นไม่ได้เป็นในหลวงไม่ได้เป็นไข่ในหลวงไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่านร่างกายของท่านเป็นคนรับใช้เป็นเหมือนรถยนต์ที่ท่านใช้ขับรถพังคนขับไม่ได้พังไปกับรถคนขับก็ไปหารถใหม่ไปซื้อรถใหม่มาขับต่อในเวลาเราตายนี่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราไม่มีวันตายเราจึงกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆคำถามจะคุณพานุพง์ตอนนี้เปิดเฟซบุ๊กมามีแต่ข่าวที่ทำให้จิตเศร้าหมองหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำงานควรวางใจอย่างไรครับก็เปิดซะเลยยังไม่เปิดดูัน เราเราเป็นผู้บริโภครูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เนี่ยแต่เรามันติดอะไรอยากจะบริโภคแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสุขแต่เราก็ไปสั่งมันไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นอนัตตาเหมือนผ้าทิศเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้ผ้าทิศขึ้นแล้วไม่ตกได้ไมไม่ได้นชสั่งให้เราบริโภครูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสุขอย่างเดียวได้ไหม ไม่ได้บางทีบางทีรูปก็ดีบางทีรูปก็ไม่ดีเสียงบางทีก็เสียงดีบางทีเสียงไม่ดีเราอยากจะได้แต่เสียงชมเสียงไพเราะพอได้ได้ยินเสียงด่าเ ส, เสียงเสียงหยาบคายก็ทุกข์ไปแล้วงั้นเราอย่าไปบริโภคมันให้รู้เฉยเฉยอย่าไปมีอารมณ์กับมันก็อย่าไปรักอย่าไปยินดีกับมันถ้ายินดีแล้วมันจะติดแล้วจะให้จะอยาก บริโภคแต่เสียงที่ดีรูปที่ดีแต่เราไม่สามารถเลือกเอาแต่รูปที่ดีเสียงที่ดีได้มันมาด้วยกันรูปที่ดีและเสียงที่ดีกับรูปที่ไม่ดีกับเสียงที่ไม่ดีนี้มันสลับกันมาเพราะโลกนี้เป็นโลก อ, อนิจจังมีขึ้นขึ้นลงลงมีพลิกไปพลิกมามีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมนลพ่อจะย้าถึงสอนให้เราพิจารณาโลกธรรมแป โลกธรรมแปดนี้ทุกคนจะต้องมาสัมผัสกันคืออะไรทำแปดชนิด ส, สิ่งสิ่งที่เราต้องมาเจอกันคือดึงมลาบเนีลาบนี้ก็มีสองแบบจเจริญลาบกับเสื่อมลาบแต่พวกเรามันอยากจ ะ, จ ะ, จะเจริญลาบอย่างเดียวเวลาเสื่อมลาบไม่ยอมแต่ธรรมชาติของลาบมันก็เหมือนดวงอาทิตย์มีขึ้นมีลงลาบก็เหมือนกันมีขึ้นมีลงอันนี้ก็หนึ่งคู่ ยศก็มีขึ้นมีลงเดี๋ยวได้ยศได้ตำแหน่งเดี๋ยวก็ถูกปลดออกอันนี้ก็มีเจริญมีเสื่อมแล้วสรรเสริญก็มีนันมีนินทาแหในโลกนี้มีแต่คำสรรเสริญอย่างเดียวรู้ปะหรือมีทั้งคำสรรเสริญมีทั้งคำนินทาแต่เราชอบแต่สรรเสริญไม่ชอบนินทาพอเจอนินทาก็ทุกข์กัน แลาวสุดท้ายก็มีสุข แ, แ, oh แล้วก็ต้องมีทุกข์สุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเนีแล้วก็ทุกข์ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ที <t us> <t us ่ไม่ดีเราก็ทุกข์กันพอไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีเราก็สุขกันนี่คือโลกธรรมแปดมีสี่คู่ลาบยศสารเสริญสุขมีเจริญลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบมีเจริญยศก็ต้องมีเสื่อมยศมีสารเสริญก็ต้องมีนินทา มีสุขก็ต้องมีทุกข์ถ้าเรารู้ทันเราก็ไม่ไปเสพมันเราไม่ไปบริโภคมันเราเพียงแต่รับรู้เฉยๆพอได้เงินมาได้ลาบมาอะไรก็แบบ ว, ว่าเดี๋ยวตายไปก็จบตายไปก็เอาไปไม่ได้หรือเดี๋ยวใช้ไปก็หมดหรือถ้าเก็บไว้ไม่ดีเดี๋ยวก็ถูกขโมยไปให้คิดอย่างนี้แล้วเวลามันเสียไปเราจะได้ไม่เสียใจ ตำแหน่งก็เหมือนกันเวลาเขาแต่งตั้งให้เป็นนั่นก็เป็นนี่ก็บอกตั้งตั้งได้ก็ปลดได้นะเว้ยเขาตั้งเราเดี๋ยวเขาก็ปลดเราได้เดยเวลาเราตายไปเขาก็ปลดเขาก็เอาไปละมีตำแหน่งอะไรแล้วตายไปก็เดี๋ยวก็คนอื่นก็มาแทนที่ลสะสรรเสริญก็ก็มีนินทาบางวันเขาก็ชอบเราเขาก็สรรเสริญบางวันเขาไม่ชอบเราเขาก็ด่าเรานินทาเราเอย แล้วก็สุขทุกข์ก็อย่างที่เราเราสัมผัสกันนียเวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกออกถูกใจก็มีความสุขเวลาไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์แต่เราก็ห้ามมันห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ห้ามการเจริญเสื่อมของลาบยศจลรเสริญไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายกับมันเราต้องอย่าไปพึ่งมันเราอย่าไปอาศัยมัน ที่เราทุกข์กันเพราะเราไปอาศัยมันเราไปอาศัยลาบยศสรรเสริญให้ความสุขกับเราพอลาบยศสรรเสริญสุขหายไปเราก็เลยทุกข์กันพราะเราไม่มาหาความสุขที่เราไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญก็คือความสุขทางทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญลาบยศสรรเสริญจะเจริญหรือเสื่อมจะไม่ทําให้เราเดือดร้อน และเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียกิรลให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการระงับความอยากต่างๆจะดีกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสม์ออกนามนะครับเคยฟังเรื่องกรรมฐานห้าแต่ลูกยังไม่เข้าใจในชั้นของลูกจะมีสิทธิได้เข้าถึงได้ไหมครับ คือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนครับคือกรรมฐานห้านี้มันเป็นอาการห้าส่วนของร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังที่พระพุทธเจ้าให้สอนพระบวชใหม่ให้ศึกษาร่างกายโดยเริ่มต้นที่อาการห้าอาการที่มองเห็นด้วยตาก่อนคือผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังนี้มันไม่เที่ยงอ่า ผมนี่เดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็ร่วงออกจากศีษะนหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเล็บฟันเดี๋ยวมันก็หลุดเนื้อเดี๋ยวมันก็เปื่อยอันนี้ให้เรึกษาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอาการเหล่านี้แล้วต่อไปก็ให้ขยายเข้าไปสู่ส่วนที่มองไม่เห็นคือใต้ผิวหนังพอผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ไปต่อที่ เอ็กระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำสเสลน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำอะไรต่างๆนี่คือส่วนประกอบของร่างกายเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยงามเราเห็นเขาส่วนที่สวยงามแล้วจะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเราจะทําให้อยู่เป็นพระไม่ได้ ที่พาะเขาบวช ก, ก, กันล้สเอกันก็เพราะเขาเห็นหนังทีไรก็มีแต่หนังแต่งตึงเห็นผมก็แบบผมยาวสละสลวยเห็นหน้าเห็นตาก็โอ้โหเห็นแล้วเหมือนเห็นนางฟ้าเห็นเทวดากันก็เลยทำให้เกิดการอารมณ์อยากจะเอาเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ความสุขก็เลยต้องลาศิขาลาเพศไปแต่ถ้าดูว่าหนังมันเดียวมันก็ต้องหยว ผมมันเดี๋ยวก็ต้องหงอกเดี๋ยวมันก็ต้องร่วงอะไรอย่างนี้หรือมองเข้าไปข้างในข้างข้างใต้ผิวหนังเห็นลำไส้้คงนี้มันก็หายอยากแลนี่มันมองไม่เห็นกันมีด้วยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกันมีหนังมันปกปิดเอาไว้ถ้าหนังเรานี่มันใสเหมือนถุงพลาสติกนี่เป็นไงดีไหมคนเรานี่เห็นเห็นผ่านทะลุเข้าไปเลยเนี่ย เห็นเห็นโครงกระดูกหน้าตาเห็นกระโหลกศีรษะเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้มันจะไปหลงรักได้ไงนี่พระเจ้สอนให้พิจารณาห้าอาการก่อนเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความจริงแล้วต้องพิจารณาสาสิบสองอาการที่เรียกว่าอาการสาสิบสองกรรมฐานสามสิบสองแต่เวลาบวชนี่มันไม่มีเวลามากก็เลยเอาแค่ห้าก่อนให้ไปเริ่มต้นที่กรรมฐานห้าก่อนแล้วให้ต่อไปถึงอาการสามสิบสอง ก็จะได้ทําลายความหลงที่จะเห็นว่าร่างกายสวยงาม น, น่ารักน่าค่ายน่ายินดีแล้วจะได้ไม่มีการอารมณ์เมื่อไม่มีการอารมณ์อยู่เป็นพระสบายจะตายไหงานก็ไม่ต้องทํงาเงินก็ไม่ต้องหาบ้านก็ฟรีน้ําก็ฟรีข้าวก็ฟรีไฟก็ฟรีรักษาพยาบาลก็ฟรีฟรีทุกอย่างเรื่องอะไรไปเป็นอย่างอื่น ที่เป็นพักกันไม่ได้เพราะการอามรมณ์นี่พอเกิดการอารมณ์แล้วมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องเสกไปเึกไปก็ต้องไปดิ้นรนไปทํางานหาเงินหาเงินแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าที่อยู่ค่าอะไรต่างๆจิพัถะไปหมดเนี่ยถ้าดับการอารมณ์ได้ตัวเดียวบวชได้สบายเลยอยู่ชิอยู่วัดนี่สบายจะตายเลยถึงเวลาก็มีกินถึงไม่เวลาก็มีที่นอนมีอะไรทุกอย่าง สบายแต่อยู่กันไม่ได้เพราะการมาหลงนี้คำถามจากคุณนักการนะครับผมต้องการบวชตลอดชีวิตที่วัดป่านาคำน้อยแต่แม่กลัวไม่มีใครดูแลครับถ้าไปแล้วกลัวตัวเองไม่สบายใจผมต้องทำอย่างไรดีแม่กลัวก็เรื่องของแม่ก็ไง บอกแม่ว่าแม่ก็ดูแลตัวเองแม่เองดีกว่าอัตตาหิอ ah ัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนเพราะถ้ามาพึ่งลูกเดี๋ยวเกิดลูกตายไปจะทํำยังไงมันก็พึ่งไม่ได้อยู่ดีนั้นทุกคนคนจะยืดหลักอัตตาหิอ ah ัตโนนาโถแล้วจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนถ้าอยู่พึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไปดีกว่าอยู่ไปทําไมถ้าพึ่งไม่ได้ก็ตายตาตาดา ย, ยังมีลมหายใจอยู่พึ่งตัวเองได้ คำถามจากคุณดิวลี่อ่าขอพระอาจารย์บอกวิธีลดอัตราตัวตอนไหนครับสําหรับผู้ที่ยังหวงแผ่นร่างกายแล้วปล่อยวางไม่ได้ก็ทําตัวให้เป็นเหมือนภาคคิริว้วทําตัวเหมือนเป็นแฉวเป็นเหมือนคนรับใช้อย่าไปทําตัวเป็นใหญ่เป็นโตเอไปอยู่ที่ไหนไปร่วมกับใครขอให้เราคิดว่าเราเป็นคนรับใช้เขาครับผมครับผมเจ้าข้าเจ้าข่า อย่าไปถือว่าเราเป็นเจ้านายเขาถึงแม้ตำแหน่งเราจะเป็นเจ้านายเขาแต่เราต้องคิดว่าเราเป็นลูกคนรับใช้เขาแล้วเวลาเขาทำอะไรว่าอะไรเราเราจะได้ไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นใหญ่กับเขาโตกับเขาพอเขาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคารพเราเราก็จะเสียใจอย่งหัดทำตัวเราให้เป็นปัตตภีพุทธเจ้าบอกทำตัวให้เป็นดิน ดินนี่ใครจะเหยียบมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะฉี่ใครจะอุจจาระใส่มันมันก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยเราต้องทาตัวแบบนั้นทำตัวแบบแบกกรดินกินกระส่ายใครจะดูถูกเหยียดย่มเราอย่างไรมันก็เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ถือว่าเราดีเร า, เราอะไรเราถือว่าเราเป็นเหมือนแผ่นดินเป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วสกปรกหน้ารังเกียจ คำถามจากคุณเจเกี่ยวกับอาการเหมือนคำบริกรรมมันจะขาดเลยพยายามจาบบริกรรมต่อเพื่อไม่ให้ขาดเหมือนมันจะขาดจากความบริกรรมให้ได้เราจะต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องครับถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ลองมีสติรู้เฉยๆดูก็ได้รู้ว่าใจคิดอะไรหรือเปล่าให้ดูใจดูสะว่ามันสักแต่ว่ารู้หรือเปล่าถ้ามันสักแต่ว่ารู้มันรู้เฉยๆมันไม่คิดอะไรก็ ก็ปล่อยมันอย่างนั้นไปให้มันอยู่เฉยๆไปก็ได้แต่ถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดคำถามจากคุณกันทพลเวลาสวดมนต์บางบทไม่ทราบความหมายแต่มีความรู้สึกว่าการสวดมนต์จะทำให้อารมณ์กลางๆไม่ดีไม่ร้ายหรือดีเป็นอุบายในการภาวนาอย่างหนึ่งครับใช่ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแต่เป็นขั้นหยาบ คือยังจะไม่สามารถทำให้จิตสงบละเอียดได้มากแต่ก็ทำให้หายฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆได้ถ้าอยากจะให้สงบมากกว่า น, นั้นก็ต้องหยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อคาถามจะคุณชาติยาทุกเพราะแค่เกิดจากโง่หลงคิดผิดไปจากความจริงแท้ใช่ไหมคะทุกเพราะความอยากให้สิ่งที่ เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ก็ทุก์เพราะจะไม่ได้ดังใจอยากคำถามจะคุณศักดิ์สิทธิ์ปกตินั่งสมาธิหลับตาจะมีแต่ความมืดแต่มีบางครั้งที่นั่งแล้วรู้สึกภาพที่เห็นเป็นพื้นสีขาวและมีหน้าสิ่งศักด์สิทธิ์ลอยผ่านเข้ามาแบบนี้ดีหรือไม่คะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูไม่เคยบูชา นั่งแบบนี้ไม่ดีนั่งแล้วต้องอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจอย่าไปนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมาแ้เดี๋ยวเราก็จะเสียหลักได้ให้อยู่กับพุโทโธไปเวลามีภาพมาปรากฏก็อย่าไปสนใจถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วก็เราก็จะนิ่งจะสงบถ้าเราไม่พุโทโธเราไปดูภาพเดี๋ยวเราก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาก็ได้อาการรักชังขึ้นมาก็ได้ และเราต้องการที่จะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงเราก็ต้องอย่าไปนั่งเฉยๆโดยไม่มีอะไรควบคุมใจเหมือนเรือถ้าเรือไม่มีหังเสือเรือมันก็ควบคุมไม่ได้มันก็จะไหลไปตามกระแสน้ํากระแสนลมแต่ถ้าเรามีหังเสือเราก็จะควบคุมบังคับให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปได้จิตใจของเราต้องการให้มันสงบเราต้องมีพุโทโธ มีลมหายใจมันถึงจะไปสู่ความสงบได้ถ้านั่งหลับตาเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจมันทำอะไรไปเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือคำถามจากคุณสิทีประเภทไทยประเทศไทยขึ้นสูญเสียกษัตริย์ผู้ทรงทศพิษราชธรรมไปซึ่งเป็นที่รักของพระสบนีกรถ้าเป็นเมื่อก่อนคงร้องไห้ฟุมไฟแต่พอฟังธําพระอาจารย์ต่อเนื่องได้มาสักระยะหนึ่ง เหมือนมีภูมิคุ้มกันพอทราบข่าวจิตตระหนักรู้ว่าเป็นธรรมดามีการเกิดก็ต้องมีการตายไม่ได้ร้องไห้เสียใจทั้งๆ้ ท, งที่รักและเคารพท่านและรู้สึกว่าท่านไม่ได้จากไปไหนเพราะใจท่านไม่ได้ตายที่แตกสลายไปเป็นเพียงธาตุสีเป็นอย่างนี้ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมบ้างไหมคะและควรเจริญปัญญาแบบนี้บ่อยๆ กับตัวเองและคนที่เรารักจะทำให้เรามีปัญญาวางอุเบกขาและไม่ทุกได้ในที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องพุณเจ้าบอกสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันอันนี้แหละเป็นสุดยอดของปัญญาที่พวกเราสามารถที่จะเจริญกันได้ทุกวันทุกเวลาแต่เรากลับกลัวมัน พอคิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วเกิดอาการตัวสั่นขึ้นมาไปกลัวมันทําไมมันเป็นความจริงถ้าไม่คิดมันก็จะลืมจะหลงแล้วมันจะยึดจะติดถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่ลืมไม่หลงแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางเวลาเข้าจากเราไปเราก็ไม่เดือดร้อนพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่ไปติดคําถามจากคุณเป็นของมีคง ผมนั่งสมาธิจิตไม่นิ่งสักทีกำหนดลมหายใจแล้วมันก็ยังสงบาิตก็ยังไม่สงบช่วยแนะนำหน่อยครับสติเรามีกำลังน้อยเราต้องฝึกสติก่อนมานั่งเราจะมาเอาสติตอนที่นั่งอย่างเดียวไม่พอต้องฝึกมาตั้งแต่ตื่นเลยตื่นขึ้นมาก็พูดโธพูดโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจอเพ้อฝันคิดไปตามความอยากต่าง ถ้าคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุทโธได้ถ้าไม่คิดเรื่องจําเป็นก็ให้พุทโธพุทโธไปควบคุมความคิดไว้ถ้าเรามีพุทโธควบคุมความคิดได้เวลานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายหมดแล้วเหรออีกฝังข้อครับรดีคําถามจากคุณภาษาคารานะครับเคยได้ยินคารวาสอนธรรมพูดว่าบุคคลเพศที่สามจะไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้จริงหรือไม่ขอรับไม่จริงหรอก เพศสาเพศสองเพศหนึ่งนี้ถ้ามีธรรมะมีปัญญาก็เห็นได้กันทุกคนจะมีปัญญาได้ก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแล้วก็มาพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็จะเห็นเนี่ยพอเห็นความตายปั้บมันก็จะเห็นอ๋อนี่แหละทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นอย่างนี้เองมันการจะบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ที่เพศหญิงชายหรือกะหรือไม่หญิงไม่ชายนี้บรรลุได้ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาหรือไม่ปัญญาก็เกิดจากการฟังจากพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็เอามาคิดเพื่อไม่ให้ลืมแล้วพอเราไปเจอเหตุการณ์เราก็ใช้ปัญญานี้ดับความทุกข์ได้คําถามจากคุณเดียบุญที่เรานั่งสมาธิแล้วเราแผ่เมตตาให้สิ่งต่างๆบุญเราจะลดหรือจะเพิ่มหรือเท่าเดิมครับตอนแผ่เมตตาควรแผ่ก่อน ออกจากสมาธิหรือเปล่าครับหรือหลังออกจากสมาธิแล้วคําว่าแผ่เมตตานี่มันไม่ใช่เป็นบุญนะเมตตานี้มันเป็นเรื่องของการที่เรามีความรู้สึกต่อผู้อื่นที่ให้แผ่นี้แผ่ที่ให้อุทิศนี้อุทิศบุญบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่ได้จากการนั่งสมาธิหรือจากการรักษาศีลหรือจากการทําบุญทําทานอันนี้เราก็อุทิศไปให้กับผู้ที่ร่งรับไป ส่วนผู้ที่ร่วงรับจะรับหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาขาดเขารอรับอยู่หรือเปล่าถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่มารอรับถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็อาจจะมารอรับก็ได้ส่วนบุญที่เราให้เขาไปมันก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญมากบุญน้อยนั่งสมาธิสงบจริงหรือไม่สงบจริงเราก็ไม่รู้รักษาศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่รู้ แ, ร แ, รรรแต่ที่แน่ๆก็บุญที่ได้จากการทําทานนี่มันแน่กว่า พอเราทำทานปั๊บเราก็ได้บุญละได้ความสุขใจที่เกิดจากเราการทำทานเนะ่ย่างถ้าอยากจะอุทิศบุญขออุทิศด้วยการทำทานดีกว่าส่วนเนื่องอุทิศด้วยการรักษาศีลกับภาวนานี้ตัวเราเองยังไม่มีหรอกพวกเราเองยังอุทิศเรายังไม่มีเราจะไปอุทิศให้เขาได้ยังไงหมดแล้วใช่ไหมออีกข้อนึงอ่าถามไหมครับอ่า ลูกอยากราว่านั้นยังเรื่องแวทางการปฏิบัติปริมาที่ถูกต้องเพราะตนนี้ลขึ้นจะมาเริ่มปฏิบัติแบบปริมาตรไม่ี่วันค่ะเป็นยังไงปริมาตเป็นยังไงคือเรียกว่าดูสภาวะค่ะว่านั่งแบบสมาธิแล้วแบบหนึ่งสมองมันตึงเชียดๆนะคะก็เลยลองเปลี่ยนแบบเขานั่งแบบยิ้เท่าวันนั่งหลายครั้งเดินเตนๆให้สมองตึงมากเพามันแบบเครียดค่ะ ก็เปลี่ยนแนวทางว่าเราลองนั่งบริมักดูว่มันเปนยังไงจะเป็นยังไงก็เลยนั่งแล้วมันสงบได้รเร็วมากแต่ว่ามันเป็นการสมงบที่ว่าสั้นนะคะเอ่วเขาก็เราดูสภาวะดูดกระดูใจดูสภาวะของที่มันเกิดขึ้นในร่างกาย ร้อนอ่อนแข็งะอะไรนี่ค่ะแล้วก็มันก็สงบสงบแวบเดียวแล้ ว, ลวมันเราก็มันมีสภาวะต่อยแล้วสงบแวบก็มีสภาวะวนเวียนรื่อ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆค่ะคือมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างไรคะที่ที่ว่ามันจะได้แบบพัฒนากว่านี้และถูกต้องกว่านี้คะ่ะแนวทางนี้เราก็ไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้อยู่แต่พุโทโธพุโทโธแล้วดูร่างกายดูควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดเ ไสมพุทโธกับือพุทโธเหมือนเดิมใช่อ่าสวดมนต์ไปพุทโธไปทำสมอตึง้มันก็กิเลสนันกิเลสนันต่อต้านไงมันเหมือนเวลาเวลาดูหนังเวลาดูหนังมันไม่เป็นใช่ไหมเวลาดูหนังดูละครไม่เป็นใช่ไมนั่นหละพรเพราะกิเลสมันไม่ไม่ต่อต้านไงพอให้ดูให้หยุดความคิดกิเลสมันจะต่อต้านคือเราต้องสติตลอดเวลาเพื่อที่ว่ามันตึงสมองต้องคลาย ไ ม, มไม่ต้องไปคลายมันมันจะเป็นก็ช่างหัวมันให้อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวกิเลสมันหมดแรงมันก็หายเองนังมาิเหมือนเดิมใช่อ่าเรฝึกสติก่อนก่ให้มีพุโทโธไปทั้งวันดูหมดแล้วนะล้วมีอีกข้อก็ได้การวาจารย์อ่าสุดท้ายจากคุณกันตพล น, นะครับ เวลานั่งสมาธิแล้วมันเห็นแต่ความมืดแต่บริกรรมพุโทโคตลอดแต่พอเริ่มกำหนดจุดเล็กในความมืดแล้วใช้กำหนดเข้าไปภายในจุดนั้นไปเรื่อยๆยิ่งเล็กลงยิ่งทะลุตลอดไปเรื่อยๆอสัปพัทเกิดหูดับแต่ยังมีสติรู้ตัวอยู่กราบขอคำแนะนำครับปฏิบัติผิดละก็ควรจะอยู่กับพุทธโคไปไม่ควรที่ไปดูจุดไปอะไร พุดโทรไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรวมเข้าสู่ความสงบหมดแล้วนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจาจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ